ข้อความในสุตตานิบาตนะพระสุตตันตปิฎกมีมาขึ้นสูตรที่สองทนิยสูตรที่สองหน้า52ข้อ295นายทนิยคนเลี้ยงโคได้กล่าวคาถาว่าเรานี่มีข้าวสำเร็จแล้วมีน้ำนมรีดจากแม่โครองเอาไว้แล้วหมายก็ว่าน้ำนมเนี่ย เรียอาไว้เรียบร้อยแล้วมีการอยู่กับชนผู้เป็นบริวารผู้มีความประพฤติอนุกูลเสมอกันที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำมหีเรามุงบังกระท่อมแล้วก่อไฟไว้แล้วเ น, น่ฝนหากว่าท่านหากว่าท่านย่อมปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดก็เรียกว่าเป็นคำพูดที่ท้าทายบอกว่าฝนถ้าพร้อมแล้วตกเลยถ้าอยากตกตกเลยฝน ถามว่านายเทนิยะคนนี้คือใครไปอย่างไรมาอย่างไรในอัตถกถากล่าวว่าพระผู้มีพระภาคสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นคนเลี้ยงโคชื่อเทนิยะอาศัยอยู่บนฝั่งแม่น้ำมห ah e. ีถามว่าบุพกรรมของนายเทนิยะมีอย่างไรบอกว่าบุพกรรมของเขามีดังต่อไปนี้คือถ้าเขาทำบุญทำกรรมอะไรมาพระพุทธเจ้าจึงต้องไปโปรดเขา พราะว่าคนที่พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมสงเคราะห์อนุเคราะห์นั้นจะต้องเป็นคนมีบุญเก่าเนนายธนิยะนี้ทําบุญอะไรมาแต่ว่าเมื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าพระนามวัคษาปะยังปรากฏอยู่ก็แปลว่าปลายปลายาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วนายธนิยะผู้นี้ได้ถวายสลากัปปะสที่แด่พระภิกษุสงฆ์ทุกวันสิ้นสองหมื่นปี ในขณะปลายศาสนานะทําบุญเลี้ยงพระภิกษุวันละยี่สิบรูปวันละยี่สิบรูปเนี่ยสองหมื่นปีเนี่ยนะของเรานี่จะต้องทำมาละกี่รูปจึงจะได้เท่าจํานวนเท่านี้เนี่ยนะเลี้ยงภาพทั่วประเทศต้สิ้นชีวิตนั่นแหะอาจจะเท่าก็ได้เขาจุติจากชาตินั้นแล้วก็บังเกิดในเทวโลกทั้งหลายทีเดียวทําพุทธันดรหนึ่งให้สิ้นไปในเทวโลกมีบุญมากนะหมายความว่า อยู่ในสวรรค์เนี่ยนะจากเทวดาสู่เทวดาจากเทวดาสู่เทวดาอยู่ในเทวดานอนหลายหลายหมื่นล้านปีนักแร่ว่างั้นพอถึงกาละของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเขาก็บังเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในนครธรรมโกรันทะซึ่งเป็นนครที่ขึ้นอยู่ในปภัตราชปภัตราชเนี่ยแปลว่ารัฐที่มีภูเขาเยอะว่างั้นในตอนกลางของวิเทหรัฐ เขาอาศัยฝูงโคเลี้ยงชีพด้วยว่าเขานี่มีโครประมาณสามหมื่นตัวโอ้ยใหญ่มากนะมีโคสาม0 0ื่นตัวนี่เขารีดนมจากแม่โค27งหมพันตัวเอ๊ถามว่ารีดนมโคเยอะๆเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทําเนย น, นะทำเป็นเนยใสเนยข้นเอาไปทําเป็นหัวเนยใส ก็คือเขาแปรรูปได้นะพันเขาจะเรียดมากขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะแปลรูปเป็นเปรียงเป็นเนยข้นเนยใสหัวเนยใสเขาแปลสภาพได้ธรรมดาว่าพวกคนเลี้ยงโคเนี่ยไม่ได้อยู่ประจําที่นะเพราะว่าอะไรโคจํานวนมากขนาดนั้นเนี่ยถ้าเลี้ยงที่เดียวก็กินดินสิไม่ต้อง ก, กินหญ้ากันแล้วใช่ไหมแต่ย่าอยู่สักสามที่นี่ก็หญ้านี่เล่มหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, อยสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีคนจับจองที่ดินแบบสมัยนี้ มันก็ที่ดินโดยมากก็ถือว่าที่หลวงที่ของปราชาก็เลี้ยงกันอย่างสบายเขาเลี้ยงโคเนี่ยไม่ได้อยู่ประจาเขาอยู่บนบกสี่เดือนในฤดูฝนคือพอฤ ด, ดูฝนสี่เดือนเขาจะต้อนไปอยู่ที่สูงปกติแล้ว8เดือนที่เหลือพวกเขาได้หญ้าและน้าที่ใดสะดวกก็อยู่ที่นั้นที่นั้นจะต้องเป็นฝั่งแม่น้าหรือไม่ก็ฝั่งสระน้ำที่เกิดเองตามธรรมชาติ เรียว่าตอนฟูงโคเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นเหมือนกับพวกเร่ร่อนแต่ก็ไม่เร่ร่อนนะนะก็คือมีบ้านมีช่องอยู่จริงละ่ะแต่ว่าการเลี้ยงฟูงโคนี่ก็ต้องถือเอาสเสบียงของโคเป็นหลักที่ใดมีหญ้าที่ไหนมีน้ําก็โครจรเลี้ยงไปตามนั้นไปเรื่อยๆต่อมาในฤดูฝนนายธนยะผู้นี้ก็ออกจากบ้านที่ที่ตนอยู่เนี่ยไปเสาะแสวงหาช่องทางเพื่อจะให้โคทั้งหลายอยู่อย่างสบาย ก็เข้าไปยังโอกาสที่แม่น้ำมหาเนธีเนี่ยแม่น้ำมหมามหีเนี่ยแยกกันเป็นสองสายถึงการนับเรียกกันว่ากาละเมฮีสายหนึ่งกับมหมามหีในอีกสายหนึ่งเมื่อน้ำไหลไปก็มาบรรจบที่ใกล้กันที่ทะเลเอกก็เกิดมีเกาะในระหว่างขึ้นก็คือมีเกาะกลางน้ำะนะก็คือหมายความว่าพอน้าไหลไปนี่มันจะแตกออกเป็นสองสาย อ้อมไปอ้อมซ้ายอ้อมขวามันก็มีเกาะอยู่ตรงกลางแล้วน้ําก็ไหลมาบรรจบกันอีกที่หนึ่งแม่น้ําโขงนี่ก็มีเกาะหลายที่เรียกว่าเกาะกลางน้ำมันนะเกาะกลางน้ําที่สมุทรปราการปากอ่าวตรงนั้นก็มีเกาะกลางน้ําอยู่ที่เกาะใหญ่แล้วก็ที่อุบลเนี่ยนะที่อุบลราชธานีเนี่ยมีเกาะอยู่หลายที่มันมีเกาะใหญ่อยู่สี่ห้าเกาะด้วยกันถ้ามีเกาะเรียกว่าแต่อีสานนี่เรียกว่าดอนเกาะกลางน้ําำเรียกว่าดอน ดอนที่หนึ่งก็ดอนคำพวงแล้วก็ดอนดอนอะไรดอนอะไอที่หลวงปู่เสาไปอยู่อ่ะตรงนอนอะบ้านตรงบ้านทายมูลก็มีดอนนีก่ก็มีดอนเลี้ยวแล้วก็ดอนอดอนท่าเซวอีกดอนหนึ่งอะมีอยู่สี่ดอนมาว่าสี่เกาะใหญ่ๆเกาะหนึ่งมีกี่ไร่มีเป็นร้อยไร่ขึ้นบางเกาะแปดสิบไร่บางเกาะสองสามร้อยไร่เนี่ยนะทั้นเกาะกลางน้ํานี่จะใหญ่มากแต่นี้ เกาะตรงนี้ที่ในทนิยสูตรนั้นเกาะ น, นี้น่าจะอาณาเขตเนี่ยเป็นเป็นพันไร่ถ้าไม่เป็นพันไร่นี่โคอยู่ไม่ได้เนะเพราะโคเป็นหมื่นๆตัวเนี่ยนะก็ต้องพื้นที่เกาะ น, นี่เป็นพันไร่เขาก็เลยสร้างโรงสําหรับโคทั้งหลายนะที่ในที่อยู่ของตนณนะ ข้างบนเกาะเข้าไปอาศัยอยู่เขานี่มีบุตรเจ็ดคนมีที่ดาเจ็ดคนแล้วก็มีสะพายอีกเจ็ดคนมีกรรมกรเป็นจำนวนมากแปลว่าเจ้าของฟาร์มโคใหญ่มากเลยนะโคสองสามหมื่นตัวนี้ไม่ธรรมดาธรรมดาว่าคนเลี้ยงโคทั้งหลายย่อมทราบนิมิตแห่งฝน วิธีเขาเขาจะดูดูออกนะว่าช่วงไหนฝนจะตกอะไรจะจะเป็นต้นเนี่ยนะเขาดูยังไงเขาบอกว่าเมื่อใดนกทั้งหลายทํารังอยู่บนยอดไม้ปูทั้งหลายปิดรูที่อยู่ใกล้แม่น้ําย่อมใช้รูใหม่ในใกล้ที่ดอนคือที่มันสูงขึ้นในกาละนั้นคนเลี้ยงโคทั้งหลายย่อมถือว่าจกมีฝนชุกแปลว่าน้ําน้ําเยอะแน่ปีนี้นะดูจากนกดูจากปู แต่ถ้าแบบวันนี้ฝนจะตกหรือไม่เขาดูจากอะไรรู้ไหมดูจากมดทามดต่อหอบไข่หอบอะไรขึ้นที่สูงก็แปลว่าวันนั้นน่ะฝนตกก็ดูจากมดแล้วก็ถ้าเครื่องหมายที่ว่าอีกสองสาภายในสองสามวันนี้ยุงจะกัดฝนจะตกแน่นอนอากาศมันจะอบอ้าวกับยุงเนี่ยโกนมากเลยแสดงว่าวันสองวันนี้ฝนจะตกหมายความว่ายุงมันดุผิดปกติอ่ะนะหมายความว่ามันอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ มันสู้แล้วเกินเนี่ยนะลักษณะนั้นแปลว่าภายในวันสองวันนี้ฝนจะตกแล้วก็สังเกตจากพวกดินฟ้าอากาศพวกยุงพวกอะไรเป็นต้นนนะในกาลนั้นคนเลี้ยงโคทั้งหลายย่อมถือว่ามีฝนชุกแต่เมื่อใดนกทั้งหลายทํารังเหนือพื้นน้ำอยู่ในที่ต่ำปูทั้งหลายก็ปิดรูอยู่ใกล้ที่ดอนแล้วก็ไปขุดรูใกล้แม่น้าลงไปครั้งนั้นคนเลี้ยงโคทั้งหลายถือว่าปีนี้ฝนจักน้อย อันนั้นก็เรียกว่ากรมอุตุแต่เล็กน้อ ย, อยนะกรามดาวากาศนะครั้งนั้นนายธนิยะนั้นก็กำหนดนิมิตว่าปีนี้จะมีฝนดีพอฤดูฝนใกล้เข้ามาก็ออกจากเกาะที่อยู่ในระหว่างแม่น้าสร้างสถานที่ของต น, น, นันสร้างสถานที่ขึ้นในสถานที่น้ำท่วมไม่ถึงแม้ในเมื่อฝนตกอยู่สิ้นเจ็ดสัปดาห์หมายความว่าฝนมันตกอยู่49วันน้ำก็ไม่ท่วม ที่ว่าวรู้อยู่แล้วว่าปีนี้ฝนตกฝนหนักเขาไม่อยู่เขาขึ้นจากกลางน้ำเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ที่ฝั่งหนึ่งของแ ม, แม่น้ำมหมาเมหีแล้วก็สร้างโร ง, โ, รงโคล้อมอยู่ล้อมที่อยู่เอาไว้โดยรอบแล้วก็อยู่ในที่นั้นปกตินี้เลี้ยงโคเยอะๆเนี่ยนะโคมากๆขนาดนั้นเนี่ยถ้าคนที่เลี้ยงไม่เป็นเนี่ยยุงยุงไม่ธรรมดามเหมือนกันนะ ที่ไหนมีโคโที่นั่นก็ทั้งเหลือบทั้งยุงเนี่ยโอ้โหเหลือบในตัวเท่าเท่านิ้วก้อยนี่แหละมันกัดเนี่ยนะเหมือนก็เอาอะไรจิ้มลงไปแล้วก็สูบเลือดออกมาเลยนะเหลือบนี่ตัวใหญ่มากไม่เด็กๆนี่ไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงแค่ยี่สบสิตัวนี่ก็เดือดร้อนมากเลยนะยุงนี่กวนจริงๆเลยต้องสมความสมอะไรกันเต็มที่เลยต่อไปว่าครั้งนั้นเมื่อเขาตระเตรียมวัสดุมีไม้ตระเตรียมหญ้า เป็นต้นเอาไว้แล้วก็พาลูกๆพาภริยาของเขาเนี่ยอยู่พร้อมหน้ากันเมื่อของเคี้ยวของบริโภคนานาประการที่ตนได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกลุ่มแห่งเมฆฝนทั้งหลายก็ตั้งขึ้น4ี่ทิศโดยรอบวันนั้นก็เกิดถือว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษเนี่ยนะแหมเมฆเนี่ยหนากันเป็นเมฆเนี่ยหนาเป็น 10, 10กิโลเลยนะแล้วก็ตั้งขึ้นมาทั้ง4ทิศเมฆเนี่ยหนาเกิน10กิโลนะเมฆ ถ้ามันตกลงมาเนี่ยน้ำท่วมเมฆนี่ขึ้นสูงหนามากเลยนะหนาเป็นหําเป็นอย่างเป็นสิบ้ากิโลก็มีเกือบ20่กิโลก็มีเมฆหํามากนะคิดดูว่าความหนาของเมฆขนาดนั้นเนี่ยฝนจะตกเท่าไหร่นะนยายธนิยะนั้นก็รีดนมจากแม่โคทั้งหลายให้ลูกโคทั้งหลายอยู่ในคอกทั้งหลายแล้วก็สุมควันเพื่อโคทั้งหลายทั่วในทิศ ท, ทั้งสี่เพื่อไลยย่ยุง ให้บริวารชนทุกคนบริโภคแล้วก็ทำกิจทุกอย่างให้ตามประทีพขึ้นในที่นั้นนั้นตนเองก็บริโภคพัดพร้อมด้วยนมสดเนี่ยนะนอนอยู่บนที่นอนอันใหญ่เห็นเสริสมบัติของตนแล้วก็มีความยินดีนอนฟังเสียงฟ้าร้องมาจากทั่วทิศก็เปล่งอุทานว่ า, านะแม้มีความสบายอกสบายใจเรือเกินกินอิ่มแล้วก็มานอนกลางพงเลยใช่ทาฝนเลยว่า เรามีข้าวสำเร็จแล้วแปลว่ากินข้าวเสร็จแล้ววงั้นมีน้ำนมรี จ, จากแม่โค น, นะเรียกว่านมสดนี่มีเยอะอยรองไว้เรียบร้อยแล้วมีการอยู่กับชนผู้เป็นบริวารผู้มีความประพฤติอนุกูลเสมอกันลูกน้องแต่ละคนก็ดีๆว่างั้นได้แต่ลูกน้องที่ซื่อสัตย์รับใช้ดีมากอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำมิหี เรามุงบางกระท่อมแล้วนะกระท่อมล้างคาก็เยี่ยมก่อไฟเอาไว้แล้วแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดหมท่าฝนคือว่าไม่ธ ร, รมนานะร้องท่าฝนได้ในหน้าหกสิบย่อหน้าบอกว่าสองบทว่าทนิโยโคโ ป, โปเป็นชื่อรวมของเศรษฐีบุตรนั้นด้วย ด้วยว่านายธนยะโคปะนั้นชื่อว่าธนยะก็เพราะประกอบพร้อมด้วยความมั่งคัง่งไปด้วยรัพย์คือโคเรียกว่าธนยะเนี่ยก็คือคนมีทรับนะมีโคมากอะ่ะโคเป็นหมื่นๆตัวเนี่ยนะซับ ท, ที่จะเสมอด้วยโคไม่มีถือว่าซัพย์พิเศษเนี่ยนะโคนี่แม่เก็บไว้ไม่เน่าใช่ไหมแต่ว่าต้องเลี้ยงลําบากเลี้ยงหน่อยโอ้สมัยนั้นถือว่าพิเศษนะสมัยนี้ใครมีโคเป็นสองสามหมื่นตัวนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้ว ฟาร์มธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมีแค่สิบ0ตัวนี่ก็ยังรายได้ดีถ้ามีเป็นหมื่นๆตัวรีดได้รีดนมได้ววนละ27 0 0 0พันตัวนี่จะขนาดไหนผลหมายถึงนายโคปะคนนั้นเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชาวโลกเพราะเขาเป็นผู้ผลิตปัญจโครสปัญจโครสก็คือนมสดนมส้มเนยข้นเนยใสแล้วก็หัวเนยใสเรียกว่าปัญจโครส เรีว่าผลผลิตของโคเนี่ยนะซับทั้งห้าอย่างพวกนี้บรรดาทรับห้าอย่างมีอาศังหาริมทรัพย์เป็นต้นเว้นทรัพย์ที่ติดตามตนไปได้มีทานศีลเป็นต้นโดยเป็นอาศังหาริมทรัพย์มีนามีสวนและอารามเป็นต้นโดยเป็นทรัพย์ที่เดินได้มีวัวและม้าเป็นต้นบ้างแล้วก็โดยเป็นสังหาริมทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นบ้างโดยเป็นทรัพย์ที่มีอวัยวะสมบูรณ์อันเป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะเป็นต้น นั้นชื่อว่าโคปะเพราะมีการเลี้ยงโคทั้งหลายก็คืออยากอธิบายว่าเป็นคนที่มั่งมีร่ำรวยมากนั่นเองในหน้าห1สบอ็ดย่อนหน้าว่านายทนิยะโคปะนี้นอนแล้วเนี่ยคือหลังจากกินอิ่มสบายแล้วก็เข้าไปในเรือนก็นอนอย่างนี้แล้วฟังเสียงซึ่งฟังเสียงร้องของเมฆกล่าวอยู่ว่า เรานี่มีข้าวหุงเสร็จแล้วย่อมสแสดงถึงมีการตระเตรียมไว้เป็นอย่างดีของตนอันเป็นอุบายที่จะให้ระ ง, งับความทุกข์กายและเป็นเหตุแห่งความสุข ก, กายเมื่อเขากล่าวว่าเรานี่รีดนมเสร็จแล้วชื่อว่าย่อมสแสดงถึงการจัดการอย่างดีของตนอันเป็นอุบายเพื่อเข้าไประ ง, งับทุกขางใจและเป็นเหตุแห่งความสุขใจเมื่อกล่าวว่าที่ฟังแม่น้ามหีย่อมสแสดงถึงสมบัติคือสถานที่อยู่ เขากล่าวอยู่ว่าการอยู่ร่วมกันย่อมแสดงถึงความไม่มีความเศร้าโศกอันมีการพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นเหตุในการละเช่นนั้นเมื่อกล่าวว่าเราเนี่ยเราเนี่ยมงกระทอมแล้วย่อมแสดงถึงการกำจัดคือความปราศจากความทุกข์อันเป็นความทุกข์ทางกาย